พระธรรมเทศนาแผ่นที่110ลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่11รกรกฎาคม2560มีชื่อเรื่องว่าพระดีหรือไม่ดีดูที่สีลาจลวัดวันนี้เป็นวันอังคารที่11 กรกดาคมพุทธศักราช2560เราเข้าพรรษามาตั้งแต่วันที่9ปันอธิษฐานพรรษาวันที่8เป็นวันอัสารหะปูชาปัด น, นี้เราเข้าพรรษามากำลังเข้ารูปเข้าร่างเข้ารอยในการใส่บาตรพระ ส, สงฆ์ทั้งหลายของงจะได้เรียนรู้ เมื่อวานเนี่ยรู้ยังไงวันนี้คงจะรู้ได้ก็เร็วขึ้นนะว่าตักใจอาหารมาใส่บาตมันไม่ยืดเยื้อใส่อาหารในบาตรของใครของเราเราจะทําอะไรเราก็ใส่บาตเราจะฉันมากน้อยแค่น้อยเราก็เลือกใส่บาตของเราที่จะฉันจํานวนที่เหลือก็ออกไป ศรัทธาญาติโยมก็จะได้แจกแบ่งกันรับทานอาหารนี่แหละอันนี้ก็คือเรื่องอาหารตอนเช้านะวสัพเพสัตตาอาหารฤธิกาสัพพสัต ท, ทั้งหลายในโลกนะเป็นอยู่ด้วยอาหารที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อวานวันก่อนในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนว่าพวกเราเนะี่ย เป็นบ่อยเป็นบ่อยเป็นธาตุเป็นขี้ข้าของท้องทำงานไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักหย่อนทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีโลคโหโมกณะนะทั้งหลายมากเพื่อท้องพอท้องมันหิวโนสุธามาไปซื้อมาให้ท้อง ท้องกินแล้วก็ทายออกหิวอีกแล้วไปหามาอีกใช้สรุปแล้วผมเหมือนกับเทอาหารใส่ไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพอลักษณะอย่างนั้นนะทองของเราสรุปแล้วท่านก็เลยบอกว่ า, วาชีวิตทั้งชีวิตเป็นธาตุของความอยาก เป็นธาตุของความหิวของท้องพวกเราเป็นธาตุเป็นขี้ข้าเป็นค่อยเป็นบ่อยของท้องเนี่ยจะอยู่ที่ใดก็อยู่ไม่เป็นถูกพอท้องมันหิวต้องหามาใส่ท้องพอท้องขึ้นมาหิวเนาะทายออกยืบอีกพวกเราคิดดูสิว่ามันจะมีที่จุดที่สิ้นสุดที่จบไหม ถ้าหากว่าชีวิตยังมีอยู่ตราบใดเราก็ยังเป็นค่อยเป็นข้าเป็นทาสของท้องอยู่ตลอดเวลานะอันในท่านพูดในพระไตรปิฎกนะหลวงพ่อออกมาขยายผลเรามาพิจารณาไม่ถูกทั้งหมดก็ถูกเป็นส่วนใหญ่ทีเดียวละถึงจะไม่ถูกทั้งหมดนะก็เป็นแนวความคิดส่วนหนึ่งเพราะนั้นเราจะเป็นโลกอะไรมากมายนักหนาะเราต้องมองดูสิ่งไหนที่มันผิดศีลผิดธรรม โลภไปเพื่ออะไรบางทีโลภโหล่โมกณนะจนตัวเองติดคุกติดหลงังพ่อท้องก็มีเพราะเหตุใเพราะว่าการทำความชั่วเสียหายเพราะนั้นเมื่อเราคิดได้จุดนี้แล้วก็พอประมาณเศรษฐกิจพอเพียงอย่างในหลวงที่ท่านได้ตรัสได้สอนประสบในก่อนของพระ อ, องค์ท่านนี่แหละอันนี้ก็คือ ทายูดพูดไปเลยก็คือวัฒ น, ฒนธรรมวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมของประเทศไทยประเทศไทยนี่นับถือพระพุทธศาสนาจึงใช้วัฒนธรรมของพระพุทธศาสนามาเป็นวัฒนธรรมมาตั้งแต่ดึกดำบรรการอยู่ด้วยกันาการวางแถววางแนวการแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวก็จะให้มีความ โรคโหโมกณะให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ำให้รู้จักพี่น้องให้รู้จักรู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักพี่ป้าน้าอารู้จักวัยวุฒิคุณนวุฒิให้รู้จักการอยู่ด้วยกันอย่างพระสงะรู้จักอาวุโสพันเตอาวุโสพันเตแล้วก็อย่างไวยวุฒิคุณนวุฒิคุณนวุฒิก็ให้คารบต่างคุณวุฒิที่ มีวุฒิให้เคารพตามนั่นตามคุณวุฒิวัยวุฒิแต่ในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านให้เคารพในอายุพันษาใครบวชก่อนผู้นั้นเป็นอาหุโสบางคนก็บอกว่าต้องเคารพตามคุณธรรมคุณธรรมมันมองไม่เห็นบางทีคนขี้โกหกตอแหล ทำท่าว่าตัวเองมีคุณธรรมก็ให้คนอื่นเคารพผลในสุดต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งเราจะเอาเป็นกฎเกณฑ์ไม่ได้แต่ก็ต้องเอาุโสพันเตแต่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยไหมถ้าว่าอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยมีสีมีศีลาจารวัตที่ดีเคารพในสิกขาบทวินยัยเป็นผู้มีศีล น, นั่นแปลว่า ในระดับหนึ่งเป็นเบื้องต้นแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเทพผู้มีศีลหรือไม่มีศีลพระพุทธเจ้าท่านว่าต้องอยู่ด้วยกันนานไม่ใช่ว่าเห็นหน้าเห็นตาแล้วก็มัวเมียพูดหรอโอ้น่าเคารพนับถือเริ่มใสอันนั้นเขาอาจจะแต่งแบบรือสีแต่งตัวให้เป็นที่เคารพของคนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดลือสีหลอกกินเฮีย เฮีย er, ออกมาด่าว่าท่านขัดสีแต่ภายนอกประโยชน์อะไรด้วยหนังเสือของท่านประโยชน์อะไรด้วยชะดาของท่านภายในของท่านรกรงรังท่านขัดสีแต่ภายนอกท่านตกแต่งขัดสีสวีวันแต่ภายนอกทำท่าเป็นผู้ทรงสิ้นแต่ภายในของท่านรกรงรังอันนี้เราอ่านในพระไตรปิฎก คือตัวตะกวดตัวเฮียออกมาดา่าฤาษีนี่แหละสลบแล้วก็คือเมื่อเห็นกันเราก็คิดว่าจะเป็นผู้มีศินทีเดียวก็ไม่ใช่เราต้องอยู่ด้วยกันนานเมื่ออยู่ด้วยกันนานแล้วไม่อันใดไม่ครั้งใดก็ต้องครั้งหนึ่งแนละต้องแผลมออกมาแหละให้เห็นว่าลักษณะอย่างนี้ลักษณะขี้โรคขี้โกดขี้หลงอยู่ในหลักพระธรรมวินัยไหมอยู่ในสีราชวัตรไหมอยู่ในกฎ ระเบียบที่พระพุทธเจ้าวางไว้ไหมถ้าอยู่ในกฎระเบียบพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วนั่นลแหล อ, อตรงเป็นพระที่ถึงจะมีอายุพรรษาน้อยพรรษามากก็เป็นพระที่น่าเคารพกราบไหว้ได้เคารพตามคุณธรรมแต่ถ้าหว่าบางองค์อายุพรรษามากแต่ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยล่วงเกินหลักพระธรรมวินยัยเนี่ย แล้วจะแล้วจะว่าอย่างไงอันนั้นเราก็ต้องมองดูอีกเหมือนกันแต่คนขบวิท่านมีคุณธรรมแล้วกินมแมลงวันไม่เบื่อทำอะไรก็ได้เราจะไปมองอย่างนั้นทีเดียวไม่ได้ถ้ามีคุณธรรมสูงเท่าไหร่ยิ่งเคารพกฎกติกาเหมือนกับข้าราชการผู้มีคุณธรรมในจิตใจต้องเคารพกฎหมายต้องเคารพกติกาของประเทศม่ใช่ว่า เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วเป็นเจ้ากองเจ้ากรมของกระทรวงแล้วทำความเสียหายไปทุกอย่างพอเราเป็นผู้ใหญ่ผล mm hmm. ที่สุดพอหมดอำนาจแล้วก็นั้นลนะปัญหาตามมาอันนี้แปลว่าทำดีในขณะที่มีอำนาจแต่หมดอำนาจแล้วเป็นยังไงนี่ก็เหมือนกันในเมื่อเมื่อตัวเองทาใช่ออกนอกลูก่นอกทางแต่เมื่อตายไปแล้วนะเป็นยังไง อันนี้อันนี้เป็นเครื่องบ่งบอกอันนี้คือพระปินัยของพระก็เหมือนกันตามมาอยู่ต้องอยู่ในหลักพระธรรมคาสอนอยู่ในหลักกฎกติกาสีน227ของพระหรือสีนอภิสษษมาจารย์ให้พระอยู่ในกรอบถ้าอยู่ในกรอบนี้แล้วดูแล้วก็น่าดูสวยงามทั้งคุณธรรมในจิตใจใครมองไม่เห็น ว่าท่านมีคุณธรรมมากน้อยอย่างไรแค่ไหนแต่พูดได้อย่างเดียวหลวงพอ่อประเมินได้เลยว่าถ้าหาว่าผู้มีคุณธรรมในจิตใจเป็นพระอริยะต้องเคารพในหลักพระธรรมวินัยหลวงพ่อพูดอย่างนั้นได้เพราะอะรอ้างอิงเหตุผลมาหลวงพ่อก็บอกว่าสมัยหนึ่งพระมหากบินท่านได้สำเร็จเป็นพระหรหัน์ท่านเป็นพระราชานะพระราชาในหัวเมืองท่านก็มาบวชพอบวชเข้ามาแล้ว ได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์ได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วจากนั้นเมื่อได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์แล้วท่านก็ไปที่ไหนท่านก็ประกาศหรือพูดบนเรื่องว่าขับคล้ายสำหรเพอพูดภาษาอีกแบบหนึ่งว่าเพอฝันโลภพูดแบบพูดไปที่ไหนก็พูดสุกนอสุกน้อสุกน้ อ, นอนะพระสงฆ์ทั้งหลายกันได้ยินว่าเอ๊ะทำไมพระมหากระบินเนี่ย ไปที่ไหนทําไมบทว่าสุกหนอสแสดงว่าท่านทวงคิดถึงสมัยเมื่อท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ครองราชมีสนมกํานันมีอ克拉รมเฮสีท่านก็พอระลึกขึ้นมาได้พอไปขึ้นระลึกถึงจุดนั้นแล้วบลาแล้วก็ท่านก็เพอไปว่าสุกหนอสุกหนอสุกหน อ, หนอพระสงฆ์ได้ยินบ่อยจากนั้นก็กราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเรียกมหากระบินมามหากระบิน มานี่สิพระมหากบินเข้าไปกล่าวมหากบินพระสงฆ์ทั้งหลายได้พูดว่าท่านไปนัสถานที่ใดบางทีก็เหมือนเพ้อหรือพูดขึ้นมาว่าสุขหนอสุขหน อ, หนอการพูดของเธอนั้นด้วยเหตุอันใดที่ท่านพูดออกมาอย่างนั้นพระมหากรบินบอกว่าข้าพระองค์ไม่ได้เพ้อฝันข้าพระองค์ออกมาจากใจโอ้ทำไมกันเข้ามาบวช มันเสียสละทุกอย่างมันมีความสุขจริงหนอแต่หมยเมื่อเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินในหัวเมืองไม่รู้ว่าจะปก ป, อ ป, กป้องประเทศชาติของตัวเองอย่างไรทั้งทหารตำรวจทั้งในเวียงทั้งในวังทั้งประชาชนทั้งขอบเขตขันทศีมา เ, เพื่อรักษาปกป้องเขตแดนของตนเอง แล้วก็โจรผู้ร้ายอีกต่างหากแต่ละวี่แต่ละวันมีแต่นแนวความคิดปุงฟุ้งอยู่ตลอดเวลาแต่บัดนี้ข้าพระองค์ได้มาบวชเสียสละหมดทุกอย่างไม่มีอะไรขนาดร่างกายยังคิดว่าไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งมันก็จะต้องตายถึงจุดจบของมันเพราะนั้นข้าพระองค์ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องพูดถึงและเยอะเรื่องสมบัติภายนอก ขณะร่างกายตัวเองก็ยังจะปล่อยวางทิ้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระค่าพระองค์มาพิจารณาถึงจุดนี้จิตใจปล่อยวางจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตใจไมอ่ออกไปข้างนอกมันมีความสุขจริงๆค่าพระองค์จึงบอกว่าไปนักสถานที่ใดใจเป็นอิสระใจเป็นไทยใจไม่ได้เป็นที่ไม่อยู่ในที่คุมขัง เหมือนกับโรคคนหายจากโรคเหมือนกับคนหายออกจากที่คุมขังเหมือนกับคนที่ไม่เป็นนี่เป็นศิลเป็นไทยเป็นอิสระนะข้าพระองค์มองตัวเองแล้วมีความสุขเี่ยว่าข้าพระองค์จึงไปน่าสถานที่ใดบางทีก็พูดขึ้นมาว่าสุขหนอสุขหนอสุขหนอเ น, นะนี่แหละอันนี้ก็คือความหมายของท่านมหากบินในรั้งพุทธกาลนะ แต่ทีนี้พอต่อมาพระมหากระดินยท่านเป็นพระทหารแล้วนะวันอุโบสถวันนี้เป็นวันอุโบสถพระสงฆ์ต้องไปลงอุโบสถพร้อมกันทั้งหมดจะไ ม, ม่มีองค์ไหนละเว้นแต่นี่ก็พระมหากระดินแต่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติวินัยเป็นอบัตนะแต่ท่านมหากบินเขาบอกเราก็บริสุทธิ์แล้วไงกิเลสเราก็หมดแล้ว ในเมื่อเราใจของเราเป็นพระอรหันแล้วนกายเราจะทําความชั่วได้ยังไงวายจาเราจะพูดชั่วได้ยังไงเพราะเราเป็นพระอรหันแล้วหมดจดจากกิเลสหมดเป็นพระอเสคะผู้ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วเราไม่ลงโบสดก็ได้มั้งเราไม่ต้องไปละเราจะเข้าฌานสมาบัติเราจะเข้าสมาธิของเราอยู่ในความสงบจะดีกว่านะ ไปนมันยุ่งเหลืองยุ่งเหงยิงวุ่นวายท่านก็เลยไม่ไปอุโบสถไม่หลงอุโบสถวันนั้นท่านก็เลยเข้านั่งสมาธิเลยเอ่นั่งเข้าฌานสม า, สมาธิของท่านเข้าสวยความสุขในความสงบของท่านท่านก็ไม่ไปหลงอุโบสถแต่พอพระพุทธเจ้าท่ารู้ว่านี่มหากบินไม่ไปหลงอุโบสถกับพระสงฆ์พระพุทธเจ้ารู้ด้วยญาณทัตนะ ด้วยฌานของพระพุทธเจ้าพรองบอกเออไม่ได้อันนี้เป็นหนทางที่ไม่ดีเป็นหนทางทิบหายพระมหากบินถึงท่านเป็นพระหานก็จริงอยู่แต่ท่านก็ควรจะเป็นตัวอย่างให้กับพวกพระที่เป็นพระพุทุชนท่าว่าองค์นั้นก็ไม่ลงองค์นี้ก็ไม่ลงพระหรหันรุ่นเก่าพระเทระไม่ลงลูกน้องก็จะไม่ลงแต่พอไม่ลงอุโบสถแล้ว ศาสนาของเราตถาคตจะยืนยาวไปได้อย่างไรเพราะพระรุ่นพี่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นพระองค์พระพุทธเจ้ารู้อย่างนั้นแล้วพระองค์ก็นิรมิตรพระองค์เลยใช้ลิศอิทธิลิศไปก็ไปเหยียบฝ่าพระบาทคือเหยียบรอยรอยประทับตรงที่หน้ากุฏิของพระมหากบินในวันนั้นไปเหยียบตรงหน้ากุฏิของท่าน เป็นที่เป็นกองทรายใช่นมมเหยียบพอพระมหากบินออกจากสมาบัติเท่านั้นเดินลงไปไปเห็นรอยประบาทพระพุทธเจ้าเท่านั้นโอ้ตายเกิดเทศแล้วด้วยเหตุอันใดหนอใพระมหากระบินไปกราบพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่ามหากบินเธอคิดอย่างนั้นได้แต่ส่วนตัวของท่านท่านต้องรักษากฎระเบียบกฎธรรมเนียมท่าว่าทุกคนทําอย่างท่านทำเนี่ยนะ ศาสนาของของเราตถาคตจะอยู่ยืดยาวได้อย่างไรเพราะนั้นท่องท่านตรงลงอุโบสถทุกครั้งในเมื่อถึงวันอุโบสถเป็นตัวอย่างของพวกน้องๆทั้งหลายของพระสงฆ์ทั้งหลายนี่แหละขนาดเพียงแค่นี้พระพุทธองค์ก็จะบัญญัติวินัยขึ้นมาอีกดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภิกสุใดก็าตามไม่ลงอุโบสถตามวันเวลาตามวันที่อุโบสถ สิบ1้าคำ่ำ1 4บสบห้าค่ำกลางเดือนปลายเดือนปีเดือนหนึ่งลงอุโบสถสองครั้งถ้าไม่ลงปรับอบัตรทุกกฎตั้งแต่บัตรนี้ไปนั่นะจากนั้นพระสงฆ์จะได้ลงอุโบสถทุกอุโบสถถ้าเรามาพิจารณาดูสิว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย ท, ท่านผู้ใดมีคุณธรรมแล้วไม่จำเป็นกินมแมลงวันไม่เบื่อจะทำอะไรก็ได้ไม่น่าจะเป็นถ้าเรา พิจารณาดูตามหลักเหตุผลจุดนี้แล้วเพราะพุทธเจ้าไม่ให้ทำถึงจะมีคุณธรรมแต่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของกุลบุตรชุดท้ายภายหลังทำให้พุทธศาสนาบัณฑรอายุสั้นเข้าใครจะทำอะไรก็ทำทำตามอเาเภอใจทำตามอัตถายใจทำไม่ไปตามหลักพระธรรมํคำคำสอนของพุทธะเป็นผู้เหยียบยำ่ำทำให้ศาสนาพุทธล่อยหยอฮอนี่แหละ สิ่งเหล่านี้ให้พวกเราพิจารณาดูจริงไหมที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเนี่ยอันนี้หลวงพ่อได้ฟังได้ศึกษามาตามหลักธรรมคำสอนของพุทธะแต่ที่ยังไงก็ตามให้พวกเรายึดแนวแถวครูบาอาจารย์วัฒนธรรมทางโลกมีผู้น้อยมีผู้ใหญ่ไวยวศคุณวศเราต้องเคารพพ่อแม่ของเราเป็นยังไง ถึงยังไงพ่อแม่พูดผิดถุกเราก็รู้แต่ว่าเราก็ต้องฟังตามหักหลักเหตุและผลถ้ามันไม่ไม่ถูกเราก็ต้องชี้แจงเราก็ไม่ไม่ต้องปฏิบัติตามทุกอย่างที่พ่อแม่สอนบอกกล่าวที่มันผิดเราก็รู้อยู่แล้วพ่อแม่บอกผิดถ้าเราได้รับการศึกษาดีพ่อแม่ของเราอาจจะเลอะเลือน อาจจะไม่รู้กฎหมายอาจจะไม่รู้คุณธรรมศีลธรรมจุดนั้นเราที่เป็นเราที่รู้เราก็ต้องบอกกล่าวถ้าท่านบอกกล่าวไม่ได้ด้วยอารมโมโหโมโหโกธาของท่านเราก็ไม่ควรจะทำควรจะหลีกเลี่ยงเพราะมันผิดกฎหมายมันผิดกฎจริยธรรมนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันที่เป็นพระครูบาอาจารย์ ที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็มองเหมือนกันนะถ้าการอยู่กับลูกศิษย์ลูกหาบางทีเขาถามเออพวกท่านทั้งหลายเห็น เ, ออเรากระทอยังไงผิดไหมมันถูกตรงไหนบอกเรานะ เ, ออเราในปวารณาในสงฆ์เมื่อออกพรรษาทุกปีเราก็ปวารณาในสงฆ์อยู่แล้ว พวกเราท่านทั้งหลายเห็นการกระทำของผมด้วยกายวาจาใจด้วยกายวาจาพวกท่านทั้งหลายบอกกล่าวได้นะอันนี้ก็คือความเป็นมาของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบอกบัญญัติวิทย์ในจุดนี้ท่านก่อนบอกให้ท่ามกลางสงเลยหรท่านระวนาในท่ามกลางสงดูก่อนสงทั้งหลายพวกเธอท่านทั้งหลายเห็นเราตถาคต ทําอะไรพูดอะไรอากับกิริยาอย่างไรที่พวกเธอท่านทั้งหลายเห็นว่าไม่ถูกต้องขอให้พวกเธอท่านทั้งหลายบอกกล่าวให้เราด้วยนะนี่ขนาดพระพุทธเจ้ายังประวรณาในสงท่านภาษาริบุตรอัครสาวกเป็นพรุทธุสิทธิ์ผู้ใหญ่นั่งหอมภาคกรยงปนมมือโอ้ยพระพุทธเจ้าค่ะอันนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์เจนเป็นผู้ประกาศพระพุทธองค์ เป็นผู้สยามภูรู้แจ้งโรกหมดทุกอย่างแล้วพระองค์ขอจะได้ตรัสอย่างนี้อีกต่อไปพระเจ้าข่าพวกข้าพระองค์ทั้งหลายประภาวนาต่อพระพุทธองค์จึงจะถูกต้องพระเจ้าข่าพระพุทธองค์เออบางทีอาจจะมีนี่แหละอันนี้ก็คือขนาดพระพุทธองค์แท้ๆก็ยังแสดงความจำปภาวณาในสรงนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายเป็นใครถึงจะฉีดเล้วฉรัด จดถาบรรดาศักสั์ขนาดไหนก็เถอะต้องมีความผิดต้องมีความถูกด้วยการทั้งหมดทางว่าพวกเราไม่ฟังคำใครมีแต่มุทะลุมีแต่ดุด่าว่ากล่าวอย่างเดียวบางทีก็ทําให้ลูกน้องบริวารเดือดร้อนเหมือนกันนะเพราะนั้นเราต้องฟังเป็นผู้ใหญ่ต้องอยเป็นหูตึงแต่ให้หูหนักแน่นโดยหลักเหตุผล มีอะไรลูกน้องมาบางทีลูกน้องส่อพลอเข้ามาว่าเกา่าให้ตัวเองก็ไปตามลูกน้องนี่แหละหลวงพ่อยังบอกกับลูกน้องบริวารของหลวงพ่อเนี่ยที่นั่งอยู่นี่แนหะรุ่นเกา่ารุ่นใหม่รุ่นไหนก็ตามนะอหลวงพ่อเคยเห็นพระเถระผู้ใหญ่ผู้เท่านะผู้ใดอุปถาใกล้ชิดอฮแล้วก็นั่นนะหยอดเช้าหยอดเย็นให้ ให้ด่าองค์นั้นให้พูดองค์นี้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นพระใ น, นวัดนี่เป็นอย่างงงอย่านี้ท่านก็ไม่ได้สัมผัสออกมาข้างนอกมีแต่ฟังพระอุปธรรมประทักใกล้ชิดนะผลที่สุดทั้ขงข้อย่างเลยอะเนี่ยพะอะ่อใหญ่พ่อว่าพระผู้เฒ่าใช่ไหมใจอ่อนนะด้มันไม่เหมือนเหมือนพระผู้ผน้อยนะถ้าเป็นผู้น้อยอย่างหลวงพ่อเดี๋ยวนี้หนะลวงพ่อยังเป็นตัวของตัวอยู่ถ้าหากว่าแก่กว่านี้นะหลวงพ่อก็ยังคิดหนักใหญ่อีกเหมือนกันนะ เออพอเคยเห็นครูบายจารย์เป็นตัวอย่างมามากต่อมากพอเท่าเฒ่าแก่เข้ามาแล้วไม่รู้จะทํำยังไงเออคนที่สูงเนี่ยเชื่อผู้อยู่อุปธรมปรมป่าตากใกล้ชิดเอาอกเอาใจนะเออผู้นั้นน่ะมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมมีคุณธรรมในใจไหมหรือแต่มีแต่ความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตในใจถ้าว่าสิทธิ์คนนั้นน่ะมีความโลภความโกรธความหลงในจิตใจแล้ว กูบาอาจารย์อยู่ด้วยนเนี่ย เ, เสฉัยไปเหมือนกันนะ่ะเสียศูญย์ไปเหมือนกันเสียวงตระกูลไปเหมือนกันนะผลที่สุดกูบาอาจารย์พูดคาไรออกมาเนะี่ยมันหนักแน่นเลยเสียหายเอยดูด่าว่ากล่าวให้กับใครเนะี่ยแปลว่าคนทั้งหลายก็คือหากันนะ่ะหลงเพราอินดาอง์นั้นองนี้นอนเอเสียหายเพราะพระองนั้นองค์นี้ทําไม่ดีอย่างงุ้นอย่างนี้เออก็เสียหายไปกว่าจะจะรู้ได้ตายมีพระอไปบอกไปกล่าว ไปแนะว่าให้ด่าพระองกนั้นองค์นี้พระที่อยู่ใกล้ชิดเน่ยเสียหายเนี่นี่แหละสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงวก็จะทำยังไงได้ในขณะที่เราพอรู้ได้เราก็ต้องหนักแน่นออไม่ใช่หูตึงแต่ให้หูหนักให้หูหนักให้ฟังให้ฟังเหตุฟังผลนะพวกเราท่านทั้งหลายได้สังเกตไหมในโครงจุดท้ายขององค์หลวงาตาของเรา มันมิอะไรต่อมิอะไรทางลูกศิษย์ลูกหาทะเลาะบอกแว่งกันองีหลงตรงนางอีลังตังนงไปหมดนะเ อ, อเราก็ไม่อยากจะเอ่ยถึงไม่อยากจะกล่าวถึงแต่มันเป็นมันผ่านผ่านมาพวกเราคงจะรู้ผู้ที่ยังไม่ตายก็มีใช่ไหมล่ะอันนี้เราเล่าให้ลูกหลานได้ฟังเป็นตัวอย่างในอนาคตขนาดองค์หลวงตาเนี่ยเป็นผู้เด็ดขาดนะใครใครก็กลัวหมดหลวงพ่อกลัวก็ทั่งเดี่ยวนี่แหละกลัวหลวงตานะเ อ, อ แต่ลูกศิษย์ลูกหาพอรุ่นไปขึ้นมาทะเลาะกันแผลวเดินเย่อเยวอด่ากันในวัดป่าบ้านตาเดินขบวนอะไรลักษณะอย่างนั้นะยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดเนี่ยน่ะหลวงพ่อก็เข้าไปในโค้งสุดท้ายหลวงพ่อก็กลัวอีกเหมือนกันนะกลัวอย่างไงพรา ก, กลัวอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้กับคณะสัตยาญาติโยมฟังนี่แหละเป็นพระผู้เท่าเข้ามาแล้วผู้ใ ด, ดพูดก่อนผู้นั้นเป็นผู้ชนะ แม่พูดเมื่อเขาพูดเข้าไปแล้วองค์ที่ถูกด่านหมดโอกาสที่จะแก้หมดโอกาสที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองเพราะท่านก็อายุมากแล้วท่านมีแต่เสียหายลูกเดียวท่านเพราะนั้นหลวงพ่อเข้าไปเนี่ยเหมือนกับพระเตมีใบ้เลยทางรู้รู้ทางรู้รู้อะไรรู้นะแต่ที่จะแก้ไขยังไงก็รู้วิธีการแก้ไขแต่มันสุดวิสัยที่จะเข้าไปแก้ไขจุดนั้นได้เราก็ต้องฟังเข้าเปเน่ง น, นิ่งฟังแต่จต่ขนาดนั้นท่านก็ยังมีท่านหัวหูของหลวงตาดีดนหนุ่มเหมือนสมัยก่อนเ็คงจะหลวงพ่อก็คงจะโดนเหมือนกันเพราะพวกที่ไปพูดบางสิ่งบางอย่างก็เนี่ยนะท่านก็มีแต่เฮอเฮ้อท่านอาจจะไม่ได้ยินชัดนะแต่เราเทั้งหนาวเหมือนกันนะเพราะเหตุายเราเคยอยู่กับองค์หลวงตามานาน เรารู้อุปนิสัยของท่านถ้าผูดด้ใดเข้าไปพูดนะเข้าไปพูดและไปฟ้ององค์อื่นหลวงตาจะไม่เรียกมาสอบนะเพราะหลวงตาก็เฉ่งเลยเชื่อองค์ที่เขาไปมาพูดบางทีก็เสียหายจนพอแรงมาสืบรู้จักใต้ที่หลังองค์นั้นก็องค์ที่ถูกเฉ่งเสียคู่เสียคนถูกหน้าจ้อยงอยเหงาไปพอแรงแต่แต่ัางที่ไม่ได้มีอะไร พอหลวงพ่อเอเคยๆโดนเคยเจอเอพอเขาไปกลับเราก็ไม่รู้จักอินูอิเอเข้าไปกลับทําอินอย่ามายุ่งกับเล่านะโทรเรื่องอะไรนะเนี่ยท่าน เ, าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทัานยับเพียงหน่อยหนึ่งตาย เ, าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแม้แต่หน่อยเดียวเลย เ, เรากนหาข้อมูลเสร็จแล้วเราเข้าไปเลยเลยเรามันกล้าอยู่เลย ไปกราบเรียนท่านเลยพูดมันเป็นพ่อเหตุนี้เหตุนี้เหตุนี้ท่านก็เงียบพอเงียบต่อมาท่านก็สืบสอบดูท่านก็ยังมาบน่นโอ้เกือบเกือบฆ่ากันในกลุ่มเดียวกันเกือบฆ่ากันนะท่านก็พูดเพียงแค่นั้นยับกันมาจากนั้นท่านก็เฉ่งฝ่ายนั้นอีกเลยจนเข้าวัดไม่ได้เนี่แหละหลวงพ่อเคยมีเคยเป็น เพราะนะั้นหลวงพ่อจึงมาถึงจุดนี้แล้วหลวงพ่อจึงออืเราจะทํำยังไงแต่มันกคงจะเป็นบาปกรรมอีกเหมือนกันนะนะหลวงพ่อว่านะคงจะเป็นบาปกรรมคงจะเป็นบาปเวรอันที่ตอก่อนในพบอดีตชาติเราคงจะหาเรื่องหาราวใส่เขามาก่อนนะมาพบนี้ชาตินี้เราไม่มีเรื่องเขาก็หาเรื่องใส่เรานะมันคงจะบาปกรรมบาปล้อโกองเวียนนะ มันคงจะเข้ามาหาเราแต่ถึงยังไงก็ตามนะมาถึงจุดนี้หลวงพ่อก็ต้องระวังระวังอีกเหมือนกันนั่นแหละดันั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะได้ยได้ยินได้ยินเสียงหลวงพ่อเนะี่ยแต่เป็นพระก็ต้องเ ป, เป็นพระที่ดีนะอย่าไปทํากรรมที่มันไม่ดีนะถ้าทํากรรมที่มันไม่ดีแนละ้กรรมนั้นจะตามสนองต่อไปภายภาคหน้าจะหาความสงบร่มเย็นเป็นทุกไม่ได้เพราะอะไรมันทําบาปกรรมหาเรื่องหาเรา ไม่มีเหตุมีผลต่อเติมให้ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพระเนนทุกองนะที่ทั้งพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นให้ฟังเป็นผู้ใหญ่หรวงพ่อกพยายามให้หนักแน่นอย่าไปฟังเสียงและเมื่อฟังเสียงมาแล้วก็ต้องดูอีกว่ามันเป็นเหตุการณ์ยังไงต้องสืบสอบดูให้ละเอียดที่จะลงโทษกับใคร ไม่ใช่ว่าปุปปรับมามัวเมียเข้ามาหรอกโทษประหารอาจารจำไม่จริงนะพะเตมีใบก็ พ, พูดเป็นพระเจ้าแผ่นดินพ่อพูดเข้ามาเนะี่ยโทษประหารเอาง่ายง่ายาจากนั้นก็เตมีไหมเตมีใ บ, ใบพอตายไปแล้วไปตกนรกถึงแปดหมื่นปีไปตกนร ก, 80, นะ ก, นกเพราะอะไรพราตัดศีล คดีความผิดนั่นแหละเขาไม่ได้ผิดตัวเองตัดตัดว่ามันผิดน่ะก็เลยไปตกนรกถึงแปดหมื่นปีพอมาเกิดขึ้นมาอีกไปเนี่ยมาเกิดเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินอีกเยพอมาเกิดเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินเอก็อยู่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเล็กๆยังไม่ปิี่นวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินเอามาลูกตัวเล็กๆมานอนอยู่ที่พระเพลาคือตักนนั่งอยู่บนตักอ พระเจ้าเปดินกวิวิธิใชยคดีความนะสมัยก่อนพระเจ้าเปดินเป็นผู้วิธิใชยคดีความคดีความโทษหนักๆพระเจ้าพ่อเขบอกว่าเอาโทษประหารจองจาตลอดชีวิตคนนี้โทษติดคุกเตอนนั้นปีเท่าที่เดือนก็ว่าไปเตมียะที่นอนอยู่ข้างล่างฉันดุ่งแล้วโอ้ตายเราเกิดมาเป็นลูกของเจ้าพระเจ้าเป็นดินอีกแล้วจ้าเนย เราตกนรกอตั้งหลายหมื่นปีพึ่งพ้นออกมาเดี๋ยวจะมาเกิดเป็นพระเจ้าเป็นดินแล้วจะตกกลับไปนรกอีกตายตายตา ย, ตายข้าจะทํำยังไงเอคิดว่าจะฆ่าตัวตายตั้นใจตายแล้วก็พูดออไปเกิดที่ใหม่อพระเตมียะเอแม่ของเตมียะในอดีตชาติเป็นเทวดานะอยู่ที่สวีดชัออยู่ที่ าศาสตร์ของพระเจ้าแผ่นดินเอวลูกเอาเทนะ่านั้นมีวิธีแก้ไขยอยู่นะลูกนะอตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปให้ลูกเนะี่ยทำเป็นง่อยเปียเสียขาเป็นคนพิการยาพูดอย่าแสดงอากาศกิริย า, ยาที่เป็นผลปกติดนะลูกนะนี่แหละอีกสักวันหนึ่งลูกจะหาทางออกได้ลูกจะหาทางออกได้จ ะ, าาออไดจะได้ไม่ได้เป็น พระเจ้าแผ่นดินอีกจากนั้นพระเตมีใบก็เลยทำเป็นง่อยเปียเสียคับพูดไม่ออกจะให้กินยังไงเขอกกินจะทำยังไงไม่ทำยู่แบบคนบ้าใบคนใบจนอายุถึงสิบ8็ดสิบแปดปีเขาจะเอาไปประหารทิง้งคือว่าเป็นการลักิีนีจากนั้นพระองค์จึงเลห น, นีออกไปบวชนะถ้าจะพูดในหลายละเอียดของพระเตมียะนะ้ ครูบาจารย์ทงผ้านเนรลูกหลานของหลวงพ่อคงม่ได้ฉันอาหารวันนี้นะพูดเพียงแย็บตัว น, นี้นให้ฟังบ่าจากนั้นท่านก็ไปบวชเป็นลือศีชีพไพรเป็นทางออกของท่านท่านจะไม่ทํากรรมอีกพรายไรเนี่ยนะการโทษประหารและการชี้ผิดของคนเน่ยถ้ามันผิดมันเป็นบาปมันย้อนกลับกลับมาหาตนเองนะเพราะนั้นการที่จะทําสิ่งไหนก็นตาม ต้องทำด้วยถูกด้วยความถูกต้องโดยหลักเหตุด้วยหลักผลผนละมันจึงจะถูกนะ ป, ฏปฏิบัติตามหลักพระธรรมพิในนั่นแหละถูกต้องนะถ้าออกนอกรูนอกทางนะใหม่แน่นะหลงนรกในง่ายๆเหมือนกันนะไม่ว่าพระว่าโยมไม่ว่าใครทั้งหมดถ้าทำไม่ดีนะถ้าทำดีแล้วจะไปสู่ความสุขความเจริญทั้งโลกนี้และโลกอนาคตต่ตอไปภายภาคหน้านะ อตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในทนีเนาะ